อย่างงพระเวียนสลาวันนี้มีพระมาชั้นกี่องค์หาก็มานับเดี๋ยวนี้ดีปะห <c oughs> ลวงพ่อก็มีเวียนเหมือนกันนะไม่เหมือนผมมีแต่ผู้ท่านผู้กับท่านผู้กับเพิ่นก็มีตำรวจเวีย น, นวนไปห <c oughs> ลวงพ่อก็มีพาเวียนฝ่าสลาขึ้นกันองค์หนึ่งวนออไปเจ็ดวัน ทำเมียอะไรก็ต้องถามพระเวรรือว่าวันนี้ถามพระเวรดูว่าพระมาฉันกี่รูปวันนี้แต่ตามเดี๋ยวนี้พระในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่30 30บรูปแต่คงมาฉันไม่ครบละ ว, วันนีคือพระฉันไม่ครบนลก่อนบางองค์ท่านก็ตั้งใจเพื่อภาวนาอดอาหาร ฉันมาหลายวันวอดอาหารภาวนาของท่านเพื่อมีเวลาฉันมาแล้วอา้าจะลองทดลองอดอาหารดูตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะอดอาหารจะภาวนาให้มากหลวงพ่อเองก็เคยนะก่อนที่จะจดจะอดอาหารนะต้องเตรียมตัว เตรียมน้ําเตรียมอะไรพร้อมเราเขาจะไม่ได้ทํางานหนักวางั้นตปัดกวาดกับปัดกวาดบริเวณที่พักแล้วก็น้ําก็ไม่ได้เอามาขนกับหมูตามไม่จริงน้ําที่บ้านตาดไม่มีไ ม, มไม่มีน้ําประปาเด้โยกจากบ่อขึ้นมาแล้วก็ส่งตามกุฏิต่างๆถ้าพระอดอาหารท่านไม่ได้ให้ไปขนน้ําหรอกท่านไม่ให้ขนแต่นี่เมื่อเราไม่ขนน้แล้วก็เตรียม น้ำมาไว้ที่กุฏิของเราไม่ให้เป็นภาระของคนอื่นอาบน้อยใช้น้อยเพาะงั้นแต่เราในจิตก็ตั้งจิตว่าขณะที่เข้าไปเจ้าอดอาหารเข้าไปเจ้าจะภาวนาให้มากที่สุดจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่อดอาหารจากนั้นก็อดอาหารไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมมล่ะเงียบอยู่ในป่าภนาะวนาลูกเดียว อันนี้ก็คือตั้งอกตั้งใจอดอาหารแล้วก็เพื่อภาวนาแต่ลงลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่มั่นใจนะบางทีอาจจะนอนตื่นสายก็ได้ ก, ไดก็เลยอดไปเลย <c oughs> บางทีบางทีเราจะตีอย่างนั้นทีเดียวก็ว่าบางทีก็ตั้งใจอดก็มีแต่บางองค์อาจจะนอนตื่นสายแลย้ยอดไปเลยก็มีว่างั้น อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้หลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดหรอกอันนี้ก็เป็นการเตือนไว้เหมือนกันนั่นนหะคือการจะอดอาหารต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมว่าเราจะอดอาหารจะภาวนาให้มากที่สุดอันนั้นคือความถูกต้องไม่ใช่ว่ามัวเมียแล้วก็นอนดึกๆขึ้นมาแล้วก็นอนตื่นสายเผลอหลับไปใกล้สว่างอันนั้นใช่ไม่ได้อันนั้นแปลว่า อดอาหารแบบไม่ได้ตังอกตั้งใจอดอาหารแบบงงเงียงโมเมียใช่ไม่ได้อย่างนั้น <c oughs> วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ปีส8ปดปีส2่สพเป็นวันพระวันคืนเดือน ป, ปีล่วงไปล่วงไปบัตรนี้ พวกเราทำอะไรอยู่อันนี้คือคือคำถามเหมือนกันพระพุทธเจ้าให้ถามตัวเองถ้าไปถามคนอื่นเดี๋ยวเขาจะโกรธให้เดี๋ยวเขาจะโมโหให้วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่สรุปแล้วก็คือไม่ให้ลืมตัวว่าการกระทำของเราการเป็นอยู่ของเรานี่มีสาระมีประโยชน์ไหม ในการเป็นอยู่ท่านจึงให้ถามตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราให้ถามตัวเองอยู่เสมอถ้าถามตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทการกระทําสิ่งใดเกิดเป็นการกระทําที่มีสาระมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ถามเราเผลอหรือว่าเราไม่ถามบางทีการกระทําของเรานี่ไรสาระไรประโยชน์ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี มีแต่คิดออกนอกลูก่นอกทางมีแต่พูดไปพร่ำเพ้อฝันไปเลยการกระทําก็ตัวเองก็ว่าถูกแต่คนอื่นดูแล้วใช่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันต้องพยายามตรวจตราพวกเราทุกๆคนให้ตรวจตราดูตนเองอันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระ อย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้นวันคืนเดือนปีล่วงไปมันไม่กลับหลังนะ่ะปีสิปดขึ้น8ปดค่ำเดือนส48สบปถ้าปีหน้าก็เป็น49เก้าหมือนกันขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ สี่สบเก้าต่อไปก็ห้าสิบอีกมันไม่ถอยหลังเหมือนกันแต่วันคืนเดือนปีนนมันไม่ถอยหลังมีแต่ไปหน้าเรื่อยมันไม่ใช่แต่วันคืนเดือนปีไปหน้าได้ไงความแก่ความตายของเราก็ไปหน้าเรื่อยอีกเหมือนกันความแก่ความตายของเราก็ไม่ถอยหลังอีกเหมือนกันไปหน้าอีก ไหลลงไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ําไหลลงมาจากหลังเขาภูก้ อ, นอยนั่นแหะไหลลงลํารางแล้วก็ไหลลงน้ําโขงไหลลงน้ําทะเลแปลว่าถึงน้ําทะเลแล้วก็จอดนั่นแหละท่นีน่อันนี้คืออะไรถ้าเปรียบเทียบก็คือชีวิตของเราทุกคนเกิดมาแล้วก็นี่แหละไหลสู่ทางต่ําแก่เจ็บตายตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าท่าน อยู่ในเวียงในวังก็หาความสุขไม่ได้เพราะท่านคิดถึงความตายนะในชีวิตของพระองค์หาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ทุกคนจะต้องนอนทับถมแผ่นดินในที่สุดอันนี้แหละก็คือทำให้พระพุทธเจ้าด้วยสิทธัตถะนอนใจไม่ได้จึงได้สสแสวงหาทางจะจะทำยังไงจึงจะไม่ตายอันนี้ก็คือ แนวความคิดของพระพุทธเจ้าแต่ครูบาอาจารย์ปูนหลังท่านให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนึกคิดอย่างไรท่านตั้งเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาว่าอรัคะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรคิดอยู่เสมอควรคำนึงอยู่เสมอควรไตรตรองสม่ำเสมอตลอด คืออะไรท่านว่าพุทธานุสติและลึกถึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความความดีอย่างไรในแผ่ความรู้สอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณบิดามารดารู้จักสิ่งควรทำไม่ควรทำ ควรคิดไม่ควรคิดควรพูดไม่ควรพูดอยู่ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อโลกถ้าเราเราไึกขึ้นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากถ้าเราไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมมีแต่เอาเลื่องกิเลส โลภโกรดหลงเข้ามาอยู่ในจิตใจแล้วเราก็จะหาความสงบสุขไม่ได้แต่เราละลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณกับความดีของพระพุทธเจ้ามาเบรกมาห้ามตัวเอาไว้สิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรคิดนะก็ทําคิดพูดสิ่งนั้นนะอันนี้คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอคือใช้พระธรรมมาเป็นกระจกส่องเงา ตัวเอง2เมตตาปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขคล้ายๆว่าคนที่มีเมตตาไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขในกลุ่มนั้นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ถึงจะไปอยู่ในกลางท้องนาแต่มีใบดกหนามีผ ล, ละมะการากไม้มีผ ล, ลไม้อย่างต้นไทรอย่างนี้ต้นโพและต้นไทร มีใบหนามีดอกมีผลก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของนกของกากระรอกกระแตทั้งหลายก็ได้กินผลละหมากหลากไม้นั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนที่มีเมตตาเหมือนกับคนที่มีความโอบอ้อมอารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่สงข้ออนุหอ ต่อเพื่อนมนุษยชาติอย่างไรต่อสัรพสัตว์อย่างไรถ้าคนผู้มีเมตตาไปอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขในบริเวณนั้นตรงกันข้ามถ้าว่าผู้ใดขาดเมตตาไม่มีเมตตาไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่อรัดเอาเปียกมีแต่ข้ามมีแต่แกงมีแต่ป้นมีแต่จี้มีแต่ลักมีแต่ขโมยมีแต่อรัดเอาเปียบตีชิงวิ่งราว อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นเป็นสถานที่ร่มร้อนที่สุดไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันถ้าไม่มีเมตตาต่อกันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดเพราะนั้นเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกถ้าผู้ใดมีเมตตาทุกคนมีเมตตาต่อกันในกลุ่มนั้นชุมชนนั้นก็จะมีความร่มเย็นผาสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ อย่างหลวงพ่อเป็นเจ้าของวัดอย่างนี้ท่าหลวงพ่อไม่มีเมตตาต่อเพื่อนต่อพระต่อเนนต่อญาติต่อโ ย, ยมก็เหมือนกับต้นไม้แห้งยืนโดดเด่ใครจะมาพึ่งพาอาศัยได้ถ้าเข้ามาแล้วก็มีแต่เอารัดเอาเปรียบหมู่พวกเพื่อนไม่มีการแบ่งปันไม่มีการสงเคราะห์อนุอเคราะห์เผลอๆกิ่งไม้แห้งจะหล่นลงใส่หัวอีกใครจะมาพึ่งพาอาศัยได้แต่ถ้าหากว่า หลวงพ่อเป็นผู้มีเมตตาจงคออนุเคราะห์มูพวกเพื่อนเข้ามาก็อ้าวใครมายังไงใครอยู่ยังไงยากโยมยังไงพระเนนยังไงมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ยกตัวอย่างนะชุมชนใดก็ตามถ้างว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครอบครัวใดก็ตามพ่อแม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อลูกต่อหลานครอบครัวนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าว่าครอบครัวใดไม่มีการเอื้อเฟื้อต่อกันครอบครัวนั้นก็หาความสงบสุขได้ยากเหมือนกันเพราะนั้นคาว่าเมตตาคำนีนะ้เป็นธรรมค้ำจุนโลกเพราะนั้นธรรมะสองข้อคือพุทธานุสติรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทาและก็เมตตา เมตตาต่าสัพพสัตต์ทั้งหลายให้มีความร่มเย็นผาสุขต้องเราต้องการความสุขอย่างใดผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้อที่สให้พิจารณาอสุภะให้เห็นเป็นไม่งามใครข้าว่าให้พิจารณาร่างกายของเราของคนอื่นอันนี้ใครข้าว่าเป็นการตัดตัวกิเลส ตัวหนึ่งในจิตในใจถ้าว่าคนที่มีกิเลสตัวนี้มากกระทำให้ลูกโลกยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรอันนี้ก็ท่านกาพิจารณาให้พิจารณ า, า, าไว้อยู่เสมอในใจของเราถึงจะไม่พูดออกไปข้างนอกให้พิจารณาไว้อยู่เสมอข้อที่รามข้อที่4มรณะนุสติให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ คนที่ระ ล, ลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นคนคนไม่ประมาทจะเป็นคนไม่ลืมตัวจะคล้ายๆว่าจะเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอว่าเราควรจะทำอะไรเหมือนกับคนที่จะเดินทางไกลอย่างนั้นเมื่อคนจะเดินทางก็จะต้องเตรียมพร้อมว่าเราควรจะทำอะไรสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่เกิดสาระประโยชน์กับตนเองแนละชุมชนสังคมเราก็ไม่ทาเราจะทาแต่สิ่งที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อชุมชนต่อตัวของเราอันนี้ก็คือให้ภาวนาอยู่เสมอว่ามรณนุสติพระพุทธเจ้าถามพระพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุนท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอ น, นุ์ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะ ประมาณวันละร้อยครั้งประเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่ายังประมาทอยู่ต้องระลึกถึงความตายตัวเองทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเพราะชีวิตของคนเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นถ้าคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวถึงจะมีเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็เป็นผู้ไม่ลืมตัว เพราะว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี่แน่นอนไม่ต้องสงสัยสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อตนเองต่อครอบครัวต่อพี่น้องญาติโยมทั้งหลายทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจอันนี้คนคนมีะระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าคนไม่คิดว่าตัวเองจะตายนั่นแหะทีนี้ ในกระจั ก, กวาลทั้งหลายจะกว้านเข้ามาเพื่อจะเอาเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่ผลที่สุดมันเป็นไปไม่ได้อีกสักวันนึ่งมันก็ต้องตายนี่แหละทำสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้พุทธานุสติะระลึกบุญถึงบุญคุณของผู้อื่นที่มีพระคุณสําหรับตนเองคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ะระลึกถึงบุญคุณด้วยศรัทธา ข้อที่สองให้มีเมตตาข้อที่สามให้พิจารณาอสุภะร่างกายของเราว่าเป็นของไม่มั่นคงมีร่างกระดูกอยู่ในร่างหนักนั้นก็มีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากนั้นก็ย้ำอีกทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่าลืมตัว สิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นคุณงามความดีวควรจะทํำสิ่งนั้นให้มากเมื่อตายจากโลกนี้ไปจิตดวงวิญญาณของเราหรือใจของเราจะได้รับความปล่มเย็นผาสุขเพราะในโลกวันนี้ถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมรณะภัยคือความตายคอยเราอยู่ตัวนั้นจะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคน เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปด้วยก็ไม่ได้บางคนพอตายไปแล้วคนมวรานเขาหาเงินยากใช่พอตายไปแล้วก็จะเอาเงินห้าเหรียญบาทเหรียญห้ายัดใส่ปากพอไปถึงป่าช้าก็ไปคลายที่นั่นแหละเอาไปด้วยไม่ได้หลวงพ่อเคยเห็นเวลาจะตายพ่อแม่จะตายไปเอาเงินหมืน่นใส่กางเกงใส่กระเป๋าให้ พอไปถึงป่าชา้าจะเผาจริงๆไปค้นหาเงินออกมาจากกระเป๋าหลวงพ่อให้เอาไปค้นหาอะไรบ้าวะพระหลวงพ่อก็ไม่เห็นตอนที่เขาให้ใช่ไหมผลที่สูดพอไปค้นเอาเงินออกอา้าวทาไมไม่เผาให้ไปเลยวะวะยังเสียดายอยู่ทด้จะให้แล้วนั่นแหละเผาเพือ่อไม่เกิดประโยชน์อะไรเผาทิ้งเฉยๆอย่างเพียงแต่เอาให้ พอเป็นพิธีเพราะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะทําสิ่งไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ทามั่วซะเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องให้ใครทําให้ในขณะยังมีชีวิตเราจะทานจะทำบุญทาทานสงข้ออนุเคราะห์วัดวาศาสนาโรงพยาบาลสงข้อประเทศชาติบ้านเมือง เราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราได้กินได้อยู่ได้ใช้ในพื้นแผ่นดินไทยทรัพยากรของชาติเมื่อเรามีอันจะกินเราก็ควรจะคืนให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เพื่อตัวของเราเพื่อครอบครัวของเราไม่ใช่ว่าเก็บจนหมดจนไม่มีการแจกแบ่งใครเลยก็ไม่ถูกแบ่งจนหมดก็ไม่ถูกอ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกเมื่อเรามีชีวิตอยู่แต่ก็ควรจะทำเอาควรจะสร้างเอาคนที่มีบุญที่มีกุศลในภพนี้ชาตินี้ที่ร่ำรวยมีเงินคำทรัพย์สมบัติพระพุทธเจา้าท่านบอกไว้ครับไว้แล้วว่าอดีตชาติเขาเคยทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในอนดีตชาติเกิดมาภพนี้ชาตินี้บุญกุศลนั้นส่งต่อ อย่างนายกทักษิณของเราเนี่ยในอดีตชาติเขาคงจะเคยทําบุญกับพระพุทธเจ้าหรือพระปฏิเจกหรือพระอรหันต์องค์ไหนก็ไม่รู้ล่ะชาตินี้เขาก็เลยรวยแต่ถ้าว่านายกทักษิณไม่ทำต่อไม่ทําต่ออีกบุญกุศลมีกําหนดหมดเหมือนกันนะบางทีก็เจ็ชาติบั่งสชาติบั่งสองชาติบรรจุแท่แตพ่พลังบุญนั้นเหมือนกับเราทําเข้า ใส่ยุ่งใส่สางไว้มากๆอะ่ะกินไปปีหนึ่งไม่หมดกินปีสองกินปีสองหมดกินปีสามาแต่ไม่ทำนาต่ออีกมันก็หมดได้เหมือนกัน เ, เพราะนั่นเมื่อเราทำได้ข้าวมาแล้วก็ทำต่ออีกทำต่ออีกไม่มีวันหมดหมอย่งั้นบุญต่อบุญอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำต่อหมดได้หมดบุญก็มีเหมือนกันถ้าหมดบุญ้วจะน หมดหมดสภาพเหมือนกับคนหมดเงินอย่างนั้นนะคิดว่ามันไม่หมดไม่เป็นไม่ได้เบุญเนี่หมดได้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญกุศลใส่ตัวเองใส่กายว่าใจใจของเราใจนะนะั้นเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปทำสิ่งไหนก็ตามไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดถ้าหากว่าทำชั่วใจก็ได้รับชั่วถ้าทำดีใจก็ได้รับดีได้รับบุญ ใจคือคลังของความดีความชั่วใจคือคลังของบุญของบาปเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญเอาไว้เกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่หยาดถ้าว่าผูา้สั่งผู้มีบุญแล้วนะถ้าผู้มีบาปแล้วลําบากทั้งนั้นนะเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาก็ทำมาค่า ข, า ย, ขายก็ไม่ขืนไม่เจริญรุ่งเรืองทั้งที่มันขยัน เพราะอา น, นิสง์เก่าไม่มีนะแต่บางคนก็อยู่แบบสบายๆเงินมากอพอเป็นพอไปไล่มาเทมาถูกจังหวะถูกเวล่ำเวลาเงินก็พอเป็นพอไปใช้จ่ายอันนี้แปลว่าอา น, นิสง์บุญกุศลให้ผลแต่เราก็อย่าประมาทนะอีกสักวันหนึ่งมันหมดได้อย่างที่ท่านได้ตรัสพระพุทธเจ้าได้พูดได้ ไ, ดไว้ตรัสเอาไวหลวงพ่อเอา ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เนีมาพูดนี่นะไอ้พวกเรานะี่ยก็แค่ค้นดูก็ได้จริงอย่างที่หลวงพ่อพูดอะหลวงพ่อไม่ได้พูดนั่นนะคนที่สั่งสมบุญบุญนั่นแหละจะต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ต่อเติมบุญหมดได้เหมือนกันบาปก็หมดได้เหมือนกันหมดบาปก็หมดพลัมกันนะใช้เป็นนานๆมันก็บดเหมือนกันชั่วมวันเราไปทํากรรมชั่วไว้เนี่ย แต่ชาติต่อไปนะเราต้องทำกรรมได้รับหนักต่อไปกับจ้างออกจ้างออกยาวไปมืหมดเหมือนกันเหมือนกับคนติดคุกติดตารางอย่างนั้นอ่ะอันรับพรนะแต่นี้อนุโมทนาให้พรตัง้งจิตอุทิศส่วนกุศลนานะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลยะถาวาริวหา